เข้ามาพร้อมแล้วบริหารกายให้มันสับปายะนะตั้งกายให้ตรงตั้งกายให้ตรง ตรงแล้วก็ปรับอย่าให้มันแข่งให้มันสบายสบายให้มันเกิดความผ่อนคลายตั้งแต่หน้าคอไหล่ซ้ายไหล่ขวาลำตัวกั้งหน้ากั้งหลังตรงด้าล่างที่นั่งทับขาที่คูยอยู่ให้สังเกตอย่าให้มันมีการแข่งให้มันเกิดการผ่อนคลาย จากนั้นก็น้อมจิตข้ามาสู่ใบหน้า <c oughs> รู้สึกที่ใบหน้าด้วยตัวรู้ที่ยิ้มยิ้มถ้าตัวรู้ยิ้มยิ้มใบหน้ามันจะไม่แกรงมันรู้สึกผ่อนคลายปรับตรงนี้ให้ดีนะให้มันถูกต้อง แล้วก็น้อมจิตรู้เข้าไปสู่บริเวณนิมิตนิมิตคืออยู่แถวโพรงจมูกที่เคยฝึกมาแล้วให้ตัวรู้ทำหน้าที่รู้ลมที่กระทบที่ตัวรู้รู้สึกได้ถึงการกระทบ รู้ที่จุดกระทบนั้นแต่ไม่ได้เข้าจุดกระทบแต่รู้ลมที่มากระทบโดยเข้ารู้อยู่นิ่งๆตรงนั้นถ้ารู้นิ่งๆอยู่ตรงนั้นเรียกว่าอุชุแปลว่าตรงรู้ได้อย่างต่อเนื่องเรียกว่าสุอุชุแว่าตรงอย่างดี รู้ตัวจิตผู้รู้ทำหน้าที่รู้ลมที่มากระทบตรงนิมิตความรู้ที่ลมตรงๆไม่ต้องมีความรู้อะไรเข้ามาให้มันเครือบแคลงสงสัยให้มันลังเล รู้จิตผู้รู้ทำหน้าที่รู้ตรงต่อลมที่กระทบถวนนั้นลมหายใจออกรู้เฉพาะส่วนที่เขากระทบลมหายใจเข้าก็รู้ปรับให้มันสบายสบายไม่มีความปรารถนาว่ามันจะต้องรู้ชัด ไม่มีความสงสัยว่ามันรู้ชัดหรื อ, อยังไม่มีความสงสัยว่าทำไมมันเบาไม่มีความสงสัยว่าทำไมมันรู้แรงไปไม่สงสัยว่าทำไมมันรู้น้อยไปไม่สงสัยว่ามันรู้เข้าหรือรู้ออกแค่ให้จิตผู้รู้ทาหน้าที่รู้ลมที่กระทบตรงๆปราศจากความสงสัยใดๆสบายๆ ตัวรู้ทาหน้าที่ด้วยการแตะรู้ต่อลมที่กระทบที่นิมิตที่มันคลูดออกไปฝ้ารู้ลมนั้นรู้ได้เท่าไรรู้เท่านั้นรู้ได้อย่างไรอย่างนั้นรู้ได้ส่วนใดรู้ส่วนนั้นไม่มีความสงสัยในส่วนที่ไม่รู้ในส่วนที่ยังไม่รู้หรือในส่วนที่รู้ไปแล้วหรือในส่วนที่กำลังรู้ ไม่มีความสงสัยรู้ได้เท่าไหร่รู้เท่านั้นก็เป็นพอหายใจออกรู้หายใจเข้ารู้แล้วก็สอบสวนตัวรู้ว่าก็รู้ลมที่เป็นปุธะพระหรือไม่ ถ้ารู้ลมที่เป็นโผฏฐัพพะแล้วถูกแล้วโอเครู้ลมตัวนี้ต่อไปเรื่อยเรื่อยไม่ต้อไงไ่บังคับลมให้มันยาวรู้ลมตามธรรมดานั่นแหละที่บางทีมันก็ระยาเอาไปมั่งบางทีมันก็สั้นลงหน่อยแต่รู้ตามธรรมดาของเขาไปลมธรรมดานี่แหละ เมื่อรู้ลมที่บนโพฏภาพรมอยู่ที่ลมออกรู้ลมเข้ารู้ก็เพิ่มความสนใจนะตรงนี้เป็นการสร้างฉันทะใช้ฉันทะด้วยการเพิ่มความสนใจในตัวรู้ในจิตผู้รู้ที่กำลังรู้ลมที่เป็นโพฏภาพรมอยู่นั้น ปรับตัวรู้ให้มันเบาสบายไม่อึดอัดไม่เกรงไม่จ้องไม่เพ่งให้มันสบายตรงๆไม่มีความคิดใดๆเข้าไปแทรกแซงไม่มีเราคำว่าเราเข้าไปวุ่นวายอยู่ในการรู้ลมเมื่อก็รู้ได้แล้วเราก็เพิ่มสนใจความสนใจเป็นพิเศษเข้าไปสู่ลมที่เป็นโผผัตธารมัน ค่อยๆเพิ่มความสนใจเข้าไปความสนใจถ้าเขาเกิดขึ้นมาความง่วงความเครื่อนเขาจะหายไปนะที่ความง่วงมันเกิดได้ความเคลื่อ ม, มันเกิดได้เพราะว่ามันขาดฉันทะคือมันขาดความสนใจเราเพิ่มความสนใจเข้าไปตัวรู้ที่รู้ลมที่เป็นโผูัตตาภารมรู้ลมนั้นด้วยความสนใจพอสนใจแล้วมันจะพึงใจพึงพอใจ อันเกิดจากความสนใจรู้ที่มีความรู้อย่างสนใจต่อลมที่เป็นโปาพปัทถาภารณ์ไปเรื่อยๆสบายๆไม่มีความคิดว่าเราจะต้องทําให้ดีเราจะต้องจับลมให้อยู่เราจะต้องดูลมให้ได้ไม่ต้องคิดเอาแค่ว่ารู้ลมที่กระทบ รู้อย่างไรก็อย่างนั้นเท่าไรก็เท่านั้นไม่ต้องไปสนใจว่ามากหรือน้อยชัดหรือไม่ชัดหยาบหรือละเอียดเบาหรือแรงไม่ต้องรู้เท่าไรก็เท่านั้นแต่พอรู้ได้แล้วก็เพิ่มความสนใจเข้าไปสนใจในการรู้ลมที่เป็นผัวถ้าพารมนั้น ถ้ามีความสนใจเข้าไปความพึงพอใจก็เกิดความพึงพอใจเกิดมันก็จะทำให้ตัวสตินั้นมีกำลังตัวรู้จะมีกำลังจะละเอียดเพิ่มขึ้น การรู้ตรงๆตดอลมที่กระทบเหมือนเราอยู่ริมลำธารยืนอยู่ที่ริมลำธารดัวมองไปในน้ําที่มันไหลในลำธารมองตรงๆน้ําไหลไปก็รู้ไม่ต้องไปใช้การแทรกแสงถ้าใช้การแทรกแสงด้วยความคิดความพยายาม ที่จะปรุงอย่างนั้นทําอย่างนี้เพื่อให้ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้มันเหมือนเรายืนแล้วอามือสองแขนเอามือสองมือกลางโอบอุ้มลูกโลกเอาไว้ให้มันจะหนักมันเป็นการพยายามที่จะให้ทุกอย่างเป็นไปตามอํานาจของตัวเองซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ให้รู้ตามความเป็นจริงไปอย่างไรก็อย่างนั้นสบายสบาย แต่ขณะที่รู้ลมอยู่มันมีความคิดเกิดขึ้นนะความคิดเหล่านี้จะเข้ามาแทรกแซงเข้ามาแทรกแซงตัวรู้ที่กําลังทําหน้าที่อยู่เนี่ยพอความคิดนี้เกิดขึ้นเราก็ต้องรู้ว่ามันดูดอกไปคิดดังให้จิตผู้รู้ทําหน้าที่ในการรู้ลมแล้วกรร็วกใช้ความสนใจสนใจเข้าไปในการรู้ลมที่เป็นโถถพธิภารมณ์ ความคิดจะเกิดมาเรื่อยๆแต่ก็เกิดได้ให้ผ่านไปเกิดได้ให้ผ่านไปไม่ปล่อยให้เข้าไปแทรกแซงไม่ปล่อยให้เข้าไปแทรกแซงตัวรู้คือเมื่อคิดแล้วเมื่อเกิดการปรุงขึ้นมาจิตก็จะไปทําหน้าที่คิดอย่างจริงจังแสดงว่าตัวรู้ออกจากลมหายใจทันทีฉนั้นเมื่อความคิดเกิดขึ้นที่จะเข้าไปแทรกแซงเราไม่แทรกแซงเราแค่รู้ลม ที่เป็นโปตภารมนั้นและก็สนใจเข้าไป พอเข้าไปจับจะไปประคองหรือจะไปบังคับอะไรเนี่ยก็ให้หยุดจากนิดหนึ่งถอยตัวรู้ออกมาให้เขารู้ตามความเป็นจริงดีกว่าให้เขารู้ตรงๆซื่อๆตามความเป็นจริงดีกว่าดีกว่าเราไปตั้งใจบังคับมากตั้งใจบังคับมากบางทีมันไปดู รู้เบาๆก็ได้ให้รู้ตามความเป็นจริงค่อยๆรู้ ที่ใจมันตัวรู้มันดิ่งลงนะมันดิ่งลงเพราะว่ามันหลุดออกจากนิมิตหลุดออกจากโพวตาพารมมันดิ่งเข้าไปข้างในดิ่งเข้าไปภายในรู้สึกลงเหมือนอยู่ในข้างใน ลกลับมารู้ลมยกกลับมารู้ลมนะอย่าปล่อยให้มันดิ่งลงไปมากๆคือจะติดเป็นนิสัย ได้เวลาให้ออกจากสมาธิตามลำดับนะขยับปลายนิ้วมือขวาให้จิตรู้สึกยกมือขวาวางไว้ที่ขกฝ่ายกจิตไปที่ปลายนิ้วมือซ้ายขยับไปตามลำดับยกมือซ้ายวางไว้ที่ขกซ้ายให้จิตรู้สึกแล้วน้มจิตมาใบหน้า ประหกหน้านิดหนึ่งลืมตาจากสมาธินมบทธนาภาคเชา4สี่สิสนาทีก็ดีว่าลวหลายคนก็รู้วิธีเรียกว่ารู้วิธีในการพาจิตเข้าสู่ความตั้งมั่นด้วยการรู้ลมที่เป็นโพตพารณมนี้ได้ เพราว่าต้องสังเกตอุปกิรลสในอนานาอย่าเปเผลออุปกิรณ์ในานานี่โดยเฉพาะตัณหาจริยาอย่าไปเผลอเผลออุปกิรล์ไม่ได้อุปกิรณ์จะออกมาในรูปไหนรูปแบบวะ ทำไมนั่งดีจังทำไมนั่งไม่ดีเลยทำไมมันไม่ชัดเลยวันนี้วันนี้ทำไมมันวันนี้มันทำไมมันดีดีเนี่ยเป็นอุปกิเลตั้งนั้นมันไม่ตรงตามความเป็นจริงต้องแต่ว่าการที่จะให้จิตรู้ตามความเป็นจริงขนาดนั้นโดยไม่หวั่นไหวไปตามอุปกิเลตมันก็ต้องอาศัยความตั้งมั่นพอสมควร การที่เรารู้สึกว่าวันนี้นั่งดีมากแล้วเกิดความชอบบวกชอบใจมันยากนะกับการที่ว่าเอ่อเขาเขารู้อยู่เพียงแค่นั้นอะ่ะบอกอาศัยความตั้งมัน่นหรือว่าวันนี้ไม่ดีเลยไม่ดีเลยทำไมมันจึงรู้สึกว่าไม่ดีเลยเพราะมันมีมาตรฐานของตัวเองว่าดีแบบไหนนั่นคือล็อกเป้าล็อกล็อกดีไว้ ไม่ดีจังเลยนี่หลงดีแย่มากเลยเนี่ยล็อกเป้าล้วนแต่เกิดจากเรื่องเดียวกันเรียกตันหาจริยาเป็นอุปกิิล์เวลาเราชั่วโมงการนั่งสมาธิขนาดนี้ของเราเราไม่ใช่ผู้ใหม่เนี่ยเราจะต้องรู้ว่าเหมือนเราดำน้ำําใส่หน้ากากนะลงไปเพื่อดูว่าอะไรมันอยู่ใต้น้ําอะไรก็คืออันนั้น เห็นอะไรก็ ก, ก็อันนั้นทีนี้ในชั้นของการรู้กายเนี่ยรู้ลมหายใจเรียกว่ารู้กายลมเป็นอย่างไรรู้อย่างนั้นแต่ลมที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยโดยสรุปแล้วมันจะมีอยู่สี่เรื่องเรื่องแรกของลมที่เป็นก็คือเรื่องลมมันยาวว่าลมแรกแรกแรกเนี่ย ที่จิตรู้เข้าไปที่โผลตัดพารมแล้วลมมันคลูดออกเนี่ยแรกๆเนี่ยไม่มีอะไรหรอกลมมันยาวมันจะยาวกี่คู่สองคู่สามคู่สี่คู่ห้าหนาทีสิบนาทีไม่รู้แหละแต่ลักษณะของลมมันยาวแต่เราไม่จําเป็นที่จะต้องไปกําหนดรู้ว่ายาวไม่จําเป็นแค่รู้ว่าที่มันคลูดออกไปมันรู้เองอะ่ะก็เหมือนกับงูที่มันเลื้ยเลื้ยผ่านหลังเท้าของเราไปน่ะเราจะรู้เอง โดยรู้จะรู้ของมันเองว่างูตัตวนี้มันยาวไม่จําเป็นต้องไปกําหนดว่ามันยาวมันจะรู้เองว่ามันยาว Bal, เพราะมันคู่ออกไปนานกว่าจะจบลมสั้นมันจะรู้ของมันเองว่าสั้นไม่จําเป็นจะต้องไปกําหนดว่ามันสั้นไม่เมื่อต้องมัวพะวงกับลมยาวลมสั้นความยาวความสั้นไม่ต้องไปกําหนดพวงมันแค่รู้ว่าอ้อยาวมันก็เป็นธรรมชาติของมัน สั้นก็เป็นธรรมาชาติของมันไม่ใช่เราไม่ใช่เราเป็นผู้ทำให้มันยาวไม่ใช่เราเป็นผู้ทำให้มันสั้นาการรู้ก็จะรู้ตามความเป็นจริงของมันอย่างนั้นทีนี้นต่อมาอืมมันมันไม่หลุดออกไปคิดก็รู้ว่ามันหลุดออกไปคิดเพราะความเป็นจริงที่เกิดในขณะนั้นคือมันหลุดออกไปคิดใช่ไหมตัวรู้ก็จะรู้ว่ามันหลุดออกไปคิดแต่พอมันหลุดออกไปคิด แล้วเราเข้าไปปรุงแต่งต่อกับความคิดนั้นแสดงว่ามันไม่ใช่หลุดแล้วเราเรากลายไปเป็นผู้คิดแล้วแต่ถ้าจิตมันหลุดออกไปคิดก็รู้ว่าการหลุดออกไปคิดเกิดขึ้นแค่นั้นเองแค่นั้นเองเหมือนกับเราดำอยู่ใต้น้าอ่ะปลาช่อนมันผ่านหน้าเราก็คือปลาช่อน ไอปลาไอไอตัดใครมันผ่านหน้าเรา ก, ก็คือตัดใครไม่ใช่เราคือความเป็นจริงที่มันเกิดนั่งนั่งนั่งไปแล้วก็มีเวทนาเกิดขึ้น เ, เวทนาเกิดขึ้นมันก็คือเวทนาเกิดขึ้นใช่ไหมมันเกิดขึ้นจริงใช่ไหมก็คือความจริงที่เกิดขึ้นตัวรู้ก็จะรู้ ว, ว่ามีเวทนาเกิดขึ้น คือความจริงที่เกิดขึ้นนั่งๆไปแล้วรู้สึกตัวรู้มันเบาลงเป็นความจริงไหมก็รู้ว่ามันก็ตัวรู้มันเบาลงเบาก็คือเบาเบาก็คือเบาเพราะมันเป็นความจริงตัวรู้มันละเอียดขึ้นก็ละเอียดขึ้นชัดขึ้นมันก็ชัดขึ้น ไม่ชัดเลยมันก็ไม่ชัดเลยก็รู้ว่ามันไม่ชัดมันเบาก็รู้ว่าเบาหนักก็รู้นะ่ะหนักเพราะฉะนั้นในลักษณะของความเป็นลมที่ที่เรารู้เนี่ยมันมีหยาบละเอียดใช่ไหมแรงเบายาวสั้นโดยโดยในบริบทของความเป็นจริงที่มันเกิดในขณะในขณะนั้นเราอย่าพยายาม ถ้ามันเบาเราพยายามไปทำให้มันหนักหรือมันหยาบเราพยายามทำให้มันละเอียดหรือมันสั้นเราพยายามทาให้มันยาวอย่างนี้ไม่ใช่แสดงว่าเราไปแทรกแซงธรรมชาติเราไปแทรกแซงความจริงทุกทุกสภาวะที่เกิดขึ้นในขณะที่เรารู้ลมก็รู้ตามที่มันเกิดนั่นแหละตามความเป็นจริงของมันรู้มันก็จะได้แยกตัวมันเองใช่ไม สิ่งที่ถูกรู้ก็จะคือรูปตัวรู้คือนามถ้าม่เช่นนั้นเราจะไม่สามารถเข้าสู่นามรูปปริเฉทนญญาณได้คือแยกรูปแยกนามไม่ได้ตัวแยกรูปแยกนามเนี่ยมันต้องรู้รูปตามความเป็นรู้สิ่งสภาวะที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงนั้นแหละ ไม่ต้องไปปรุงแต่งไม่ต้องไปแทรกแซงไม่ต้องไปบังคับไม่ต้องไปทำอะไรกับมันกิจที่เราจะต้องทำเราทำจบแล้วในเรื่องของกิจคือรู้ลมที่เป็นโผตาฟารลมท่านั้นตามความเป็นจริงทีนี้สภาวะไดเกิดก็รู้อะไรเกิดก็รู้อะไรเกิดก็รู้อะไรเกิดก็รู้แค่รู้แค่รู้แค่ ร, ค ร, ครู้ไม่ต้องไปจัดการใดๆทั้งสิ้นเข้าใจันว่าไม่ต้องไปจัดการนะเป็นผู้จัดการที่บ้าน <S <S พอไม่ต้องเอามา ไม่ต้องออกมาเป็นผู้จัดการที่นี่ม <c oughs> หาเพลวันจัดการที่นนท์พอแล้วไม่ต้องมาเป็นผู้จัดการที่นี่ <c oughs> ที่นี่แค่รู้คือจัดรูปแบบของความการการทําหน้าที่ของกิจคือรู้ลมจชนิดที่เป็นโผตภารลมตรงนั้นให้ถูกหลังจากนั้นก็ความรู้อยู่แค่นั้นพอความรู้อยู่แค่นั้นเนี่ยมันจะมีสภาวะอะไรเกิดขึ้นมาเยอะแยะ เกิดขึ้นมาเราก็แค่รู้เพราะอะไรที่เราจะต้องรู้เพราะมันคือความจริงมันคือความจริงในขณะนั้นว่ามันเกิดอย่างนั้นมีสิ่งนี้เกิดขึ้นจริงใช่ไหมเกิดขึ้นจริงก็รู้เกิดขึ้นจริงสิ่งนี้เกิดขึ้นก็รู้อันนี้เกิดขึ้นก็รู้แค่นี้ก็รู้รู้รู้รู้พรู้พ ร, รู้ปั๊บเนี่ยสักพักหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็จะดับตกไปเพราะมันไม่ใช่กิจเหมือนเราขับรถอยู่บนถนนนั่นแหละเราอยู่ขับไป ไปเห็นต้นไม้ต้นไม้มันจริงไหมมันจริงเราก็เห็นก็ต้นไม้ก็จบผ่านไปต่อมาเป็นสะพานลอยจริงไหมถ้าจริงก็ผ่านไปก็จบไม่ต้องไปจัดการอะไรกับมันทั้งนั้นแค่รู้แค่เห็นแค่รู้แค่เห็นไปเรื่อยื่อื่อยื่อยือยืยจิดของเราก็จับวงมาเลยแล้วก็ขับให้แน่แน่ให้ถูกต้องตามกฎจราจรอยู่บนเลนนั้น ไม่ต้องไปจัดการเรื่องใดๆก็ตามที่เข้ามาก็เหมือนกันมา น, นุมโบสถนาฟักเช้า